อนาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ102 1งพิสูตไม่เข้าใจถึงถาม2อพิกษุเป็นใข้ให้การไม่ได้3าพิสูตไม่ยอมกล่าวเพราะคิดว่าทรงจะมีความบาดหมางกันทะเลาะกันถัดแย้งกันหรือวิวาทกัน4ีพิสูตไม่ยอมกล่าวเพราะคิดว่าสงจงกแต ก, กแยกหรือสงจะร้วาวฉาน5้พิสูุไม่ยอมกล่าวเพราะคิดว่า สงฆ์จะทำกรรมที่ไม่ถูกต้องจะแยกพวกกันทำหรือจะลงโทษภิกษุผู้ไม่ควรลงโทษหกภิกษุวิกลจริตเจ็ดภิกษุต้นบัญญัตัญยะวาทกะสิกขาบทที่สองจบ